พระพุทธศาสนาสอนให้พวกเราหาความสุขทางจิตใจกันเพราะความสุขทางจิตใจเป็นความสุขที่เลิศกว่าดีกว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางจิตใจเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขที่ถาวร ไม่มีวันหมดไปจากใจไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายถือว่าเป็นความสุขปลอมเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเวลาที่ร่างกายหมดสภาพไปหมดความสามารถที่จะความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ความสุขทางร่างกาย ก็จะหายไปหมดแต่ความสุขทางใจไม่มีวันหายเพราะใจไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดสภาพใจเป็นสิ่งเดียวในสากลละโลกที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเป็นสิ่งที่ถาวรความสุขที่ เกิดขึ้นภายในใจจึงเป็นความสุขที่ถาวร อ, อย่างความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันเป็นปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังนี่แหละคือความสุขใจที่ถาวรที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกๆ ท, ท่านถ้ารู้จักวิธี สร้างให้เกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวร น, นี้ได้ต้องมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้เป็นแสงสว่างนำทางให้แก่สัตว์โลกผู้มืดบอดอย่างพวกเรา ที่ไม่รู้ความสุขที่แท้จริงนี้เรารู้จักแต่ความสุขทางร่างกายรู้จักความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เราก็ไม่รู้ว่าภายในความสุขนี้มีความทุกซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด ปลานี้จะไม่รู้ว่าที่ในสิ่งที่เกาะเกี่ยวเหยื่ออยู่นี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเวลาไปคุบเหยื่อเข้าตะคุบเหยื่อเข้าก็จะถูกเบ็ดเกี่ยวปากเอาไว้แล้วก็จะต้องถูกจับไปฆ่าแกงต่อไปฉันใด ความสุขทางร่างกายก็เป็นอย่างนั้นเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องเสื่อมหมดไปเสื่อมช้าเสื่อมเร็วแล้วแต่ชนิดของความสุขบางอย่างก็เสื่อมช้า บางอย่างก็เสื่อมเร็วเวลาเสื่อมแล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเสียอกเสียใจตามมาแล้วก็ต้องไปหามาทดแทนใหม่หามาทดแทนกี่ครั้งก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาความสุขที่ได้มาให้อยู่ต่อไปอย่างเท้าว่อนได้ หามาได้กี่ครั้งก็ต้องหมดไปทุกครั้งพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อมาหาความสุขผ่านทางร่างกายใหม่ภกชาจึงมีอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นศาสใราใที่ยังมีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ หานั้นก็ต้องไปหาร่างกายใหม่มาทดแทนร่างกายเมาเก่าที่จะต้องแก่ที่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปนี่คือปัญหาของสัตว์โลกที่ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้มาเฉลยปัญหาเป็นผู้มาบอกความจริงถ้าใคร มีบุญมีวาสนามีโชคได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วมีความรู้ความสามารถที่จะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติได้ผู้นั้นก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงพบกับความสุขที่ถาวรที่ไม่ต้องกคอย หาาเพิ่มอยู่เรื่อยๆถ้าเราได้สร้างความสุขได้เต็มเปี่ยมแล้วเหมือนกับถ้าเราได้เติมน้ำจนเต็มตุ่มแล้วถ้าตุ่มไม่รั่วเราก็ไม่ต้องเติมอีกต่อไปน้ำก็จะเต็มตุ่มอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าตุ่มยังรั่วอยู่ตามไปเท่าไหร่ไม่นานน้ำก็จะพร่องหมดไปได้ ฉันไดความสุขทางใจกับความสุขทางร่างกายก็เป็นเหมือนกับตุ่มน้ำถ้าเป็นความสุขทางร่างกายก็เป็นเหมือนตุ่มน้ำที่ยังมีรอยรั่วอยู่เติมน้ำเข้าไปมากน้อยเพียงไรก็จะเต็มอยู่เดี๋ยวเดียวแล้วก็จะซึมหายออกไปตามรอยรั่วต่างๆ แล้วก็ต้องหาน้ำมาเติมใหม่เพื่อให้เต็มเติมแล้วเดี๋ยวก็ต้องเติมใหม่อยู่เรื่อยๆนี่คือลักษณะของความสุขทางร่างกายเป็นอย่างนี้ต่อให้เราได้รับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากน้อยเพียงไรก็ตามเราก็ต้องกลับมาเติมใหม่เช่นวันนี้เราออกไป ได้ความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเรากลับมาบ้านความสุขที่เราได้รับมันก็จางหายไปพอวันรุ่งขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราต้องเติมความสุขนี้ใหม่เราก็ต้องออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ทำอยู่กี่ครั้งก็จะเป็นอย่างนี้ ทุกๆครั้งไปคืออิ่มเดียวๆสุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็หาจางหายไปเหลืออยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหลืออยู่แต่ความหิวความอยากที่จะต้องคอยแสวงหาความสุขมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆนี่คือลักษณะของความสุขทางร่างกายเป็นอย่างนี้ ส่วนความสุขของทางใจนี้เป็นเหมือนกับการเติมน้ำในตุ่มที่ไม่มีรอยรั่วพอเราเติมเข้าไปจนเต็มแล้วก็จะไม่ต้องเติมอีกต่อไปจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเท่าเดิมเสมอไปเพราะน้าไม่หมดความสุขที่เติมไปในใจนี้พอเต็มเปี่ยมในหัวใจแล้วเป็นปรมังสุขขังแล้ว ก็ไม่ต้องมีการเติมอีกต่อไปพระพุทธเจ้าพระอ า, ารานตสาวกทั้งหลายเมื่อได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วได้พบกับปรมังสุขขังแล้วก็ไม่ต้องมีการปฏิบัติอีกต่อไปไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องพิจารณาปัญญาเจริญปัญญาไม่ต้องพิจารณาไตายรักอนิจจงทุกขขังอนัตตา ไม่ต้องพิจารณาอาริยสัจ ส, สี่ทุกสมุทัยนิโรธมากเพราะการปฏิบัติเหล่านี้เปรียบเหมือนกับการเติมน้ําเติมความสุขให้แก่ใจนั่นเองในเมื่อความสุขได้เต็มเปลี่ยมหัวใจแล้วต่อจะต่อให้เติมอีกมากามเท่าไรเท่าไหร่ก็จะไม่ได้มากไปกว่าเท่าที่ได้ที่มีอยู่เต็มเปลี่ยมอยู่ในหัวใจ เหมือนกับน้ำที่เราเติมเต็มตุ่มแล้วต่อให้เราตักเข้าไปอีกมากน้อยเพียงไรปริมาณน้ำก็จะไม่มากไปกว่าเดิมที่มีอยู่นี่คือความสุขทางจิตใจเป็นความสุขที่ถาวรงานสร้างความสุขทางจิตใจจึงเป็นงานที่มีวันหมดสิ้นมีวันจบ ไม่เหมือนกับงานสร้างความสุขทางร่างกายที่ไม่มีวันจบสร้างไปจนกระทั่งถึงวันตายต้องหาความสุขอยู่ตลอดเวลาพอตายแล้วก็ยังต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อมาหาความสุขใหม่ต่อไปอีกนี่คือที่มาที่ไปของการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่าง ไม่ว่าจะเป็นภพของมนุษย์ภพของเทวดาภพของพรหมภพของเดรัจฉานภพของเปรตหรือภพของนรกก็เป็นแบบเดียวกันเป็นการแสวงหาความสุขชนิดต่างๆกันตามกฎของกรรมที่ได้ทำเอาไว้เดรัจฉานเขาก็หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกับมนุษย์ เทวดาก็หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพียงแต่ว่าเป็นกายทิพเป็นตาหูตาทิพย์หูทิพย์ธรมเขาก็หาความสุขจากการทําใจให้สงบแต่ความสุขเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้กฎตายรักษณคือกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือยังเป็นตุ่มน้ําที่ยังมีรอยรั่วอยู่ เติมเข้าไปมากน้อยเพียงไรก็จะต้องพร่องหายไปหมดไปมีความสุขระดับของพระอริยะบุคคลเท่านั้นที่จะไม่มีวันพร่องไม่มีวันหมดไปมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มตุกเช่นความสุขระดับของพระโสดาบันก็อยู่ใน หนึ่งในสี่ของตุ่มน้ำปริมาณของตุ่มน้ำของพระสกิดาคามีพระอนาคามีก็ประมาณครึ่งตุ่มแล้วก็พระอารหันต์ก็เต็มตุ่มความสุขของพระโสดาบัรก็จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปเพรา ะ, ะท่านตุ่มน้ำของท่านนั้นไม่มีรอยรั่ว พอเติมเพิ่มเข้าไปอีกก็จะได้ระดับของพระสกิาคามีพระอนาคามีแล้วพอเติมเข้าไปอีกก็จะได้ระดับพระอราหานการปฏิบัติธรรมที่พวกเรามาบำเพ็ญกันอยู่นี้เรียกว่าเป็นการเปลงความสุขให้แก่ใจเติมน้ำให้แก่ตุ่มน้ำที่มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับโลกียะคือระดับที่ยังมี รอยรั่วอยู่และระดับโล ก, กุตระคือระดับที่ไม่มีลอยรั่วถ้าเราเติมความสุขด้วยการทาทานด้วยการรักษาศีลเราก็จะได้รับความสุกระดับของเทวดาที่ยังจะต้องเสื่อมและกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราเติมความสุขด้วยการทาทานา ร, รักษาศีาาาล และนั่งสมาธิทำใจให้สงบเป็นอัปปนาได้เราก็จะได้ความสุขระดับพรหมแต่ความสุขระดับของพรหมระดับของสมาธินี้ก็ยังมีรอยรั่วอยู่ก็ยังเสื่อมหมดไปได้จากพรหมก็จะเลื่อนลงมาเป็นเทพจากเทพก็จะมาลงมาระดับของมนุษย์แล้วถ้าไปทำบาป ท, ทากรรม เ่นไม่ไม่รักษาศีลห้าตายไปก็จะลงไปสู่ระดับของเดรัจฉานบ้างของเปรตบ้างของอสุรกายบ้างของนรกบ้างนี่คือความสุขต่างๆระดับของความสุขหรือระดับความทุกข์ถ้าลงไปอาบายแล้วความสุขจะมีน้อยกว่าความทุกข์ถ้าอยู่ในระดับมนุษย์นี้จะมีประมาณ ห้าสิบห้าสิบมนุษย์นี้มีความสุขกับความทุกข์ประมาณเท่าๆกันส่วนอบายนี้จะมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์มากกว่าความสุขเช่นเดรฉานกับมนุษย์นี้เราจะเห็นความแตกต่างกันว่ามนุษย์มีความสุขมากกว่าเพราะมีความปลอดภัยมากกว่าเดรฉานมนุษย์อยู่ในสังคมที่มีกฎมีกติกามีระเบียบ จึงทำให้มนุษย์นี้มีความทุกข์น้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีกฎกติกาไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่มีศาลไม่มีคุกไม่มีตารางเขาอยู่กันแบบตัวใครตัวมันใครมีกําลังมากกว่าก็จะมีอํานาจมี โอกาสที่จะหาความสุขได้มากกว่าโดยที่เล็กกว่าก็จะมีโอกาสน้อยกว่ามีความทุกข์มากกว่านี่คือความสุขระดับต่างๆที่พวกเราได้หากันมาอยู่นับเป็นจำนวนไม่ไม่ไม่ท่วนเคยเกิดเป็นอะไรต่ออะไรมามากมายกายกอง เคยเป็นมนุษย์เคยเป็นเทวดาเคยเป็นพรมเคยเป็นเดรัจฉานเคยเป็นเปรตเคยไปตกนรกเพราะการกระทําของเรานี้มันไม่แน่นอนบางเวลามีเหตุการณ์หรือมีอารมณ์ทาให้ต้องไปทำบาปก็ทําไปโดยที่ไม่รู้ถึงผลของบาปที่จะตามมาก็ต้องไปรับผลบาปเวลาที่ตายไปแล้ว บาเวลามีอารมณ์ดีก็ทําบุญปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็ได้อ น, นิสงส์ของการทําบุญปฏิบัติธรรมก็ขึ้นขึ้ๆลงๆอย่างนี้ไปตามเหตุการณ์ตามอารมณ์ที่มา ม, มามาให้สัมผัสแล้วก็มากระตุ้นให้เกิดการกระทําต่างๆเกิดการกระทําบาปบ้างเกิดการกระทําบุญบ้าง พอทำแล้วก็ทําให้เกิดมีวิบากตามมาวิบากก็คือการเกิดในสถานภาพต่างๆเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเกิดในนรกหรือเกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นมนุษย์เหล่านี้เป็นผลของการกระทําที่เรียกว่ากรรมกรรมนี้แปลว่าการกระทํา การกระทำนี้ก็มีมีอยูส่สามช่องด้วยกันทางร่างกายทางวาจาและทางใจทางร่างกายและทางวาจานี้ต้องรอการกระทำทางใจก่อนถึงจะสามารถทำได้เพราะเป็นผู้รับคำสั่งก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราต้องคิดก่อน อย่างวันนี้เราต้องคิดว่าจะมาวัดมาฟังเทศตังธรรมเราก็เลยมีการกระทำทางวาจาชวนเพื่อนชวนญาติชวนคนรู้จักให้มาวัดกันแล้วพอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายเดินทางมาที่วัดการกระทำทางร่างกายทางวาจาเป็นส่วน ที่ตอบสนองการกระทาทางใจดังนั้นโดยสรุปแล้วการกระทำที่แท้จริงก็คือการกระทำทางใจถ้าไม่มีใจร่างกายก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เช่นคนตายนี้มีแต่ร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่มีใจไม่มีผู้ที่จะคอยให้คำสั่งต่อร่างกาย ร่างกายเวลาตายอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีใครมาเคลื่อนย้ายไปร่างกายก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็แตกสลายแยกธาตุกันไปธาตุดินก็แยกจากธาตุน้ํธาตุดมธาตุไปนี่คือเรื่องของการกระทาเรื่องของการเติมความสุขชนิดต่างๆ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมาประกาศพระธรรมคำสอนมาตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาสัตว์โลกอย่างพวกเราก็จะไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขที่ถาวรได้เราก็จะสร้างความสุขได้ในระดับสูงสุดก็ระดับของพร ม, มโลกคือการทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิทำใจให้สงบ ทำใจให้เป็นฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ถึงฌานที่แปดถึงฌานที่เก้าเหล่านี้เรียกว่าเป็นการสร้างความสุขทางจิตใจแต่ยังเป็นความสุขที่มีวันที่จะเสื่อมมีวันที่จะหมดไปได้ถ้าอยากจะได้ความสุขที่ไม่เสื่อมไม่หมด ก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาสอนอย่างเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่พระองค์ทรงออกบวชบำเพ็ญหาความสุขทางจิตใจหาการหล <c oughs> ุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็มีครูบาอาจารย์ที่สอนให้ไปได้ถึงระดับฌานคือระดับสมาธิสามารถทำใจให้สงบ เวลาใจสงบก็ความทุกข์ก็จะหายไปปรามังสุขขังคือความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าทางร่างกายก็จะปรากฏขึ้นมาแต่เป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่าไม่สามารถอยู่ในฌานอยู่ในสมาธิได้ตลอดไปเพราะยังมีร่างกายที่เกี่ยวพันกันอยู่ ร่างกายเมื่อถึงเวลาต้องการอาหารต้องการน้ำก็จะไปดึงใจให้ออกมาดูแลร่างกายถ้าตายไปไม่มีร่างกายใจก็จะอยู่ในสภาพนั้นไปแต่ก็ยังต้องเสื่อมเพราะว่ากําลังของสติที่จะทําให้จิตสงบนั้นยังสู้กําลังของกิเลส ต, ตัณหาไม่ได้ กำลังของสตินี้มีกำลังอยู่ในระดับหนึ่งที่สามารถกดหรือทำให้กิเลสตัณหาตัวที่ทำให้จิตต้องออกมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะมีกำลังในระดับหนึ่งในระยะหนึ่งพอหลังจากนั้นแล้วกำลังของกิเลสตัณหาก็จะมีมากกว่า จิตก็จะเริ่มขยับขับเคลื่อนเริ่มมีความคิดปรุงแต่งเริ่มมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัพฑะในเบื้องต้นก็จะมีความอยากที่ละเอียดที่เรียกว่าความอยากของรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์จึงได้เคลื่อนลงมาจากสวรรค์ชั้นพรมมาสู่สวรรค์ชั้นเทพมีร่างทิพย์ ไว้เศษรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์แล้วเมื่อความอยากมีเพิ่มมากขึ้นความสุขที่ได้จากรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ก็ไม่พอเพียงก็เลยต้องเลื่อนลงมาหาร่างกายอยากคือมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่อีกรอบหนึ่ง พวกเราทุกคนที่เกิดมานี้ไม่ต้องมีใครสอนให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไม่มีใครสอนให้หาสามีให้หาภรรยากันไม่ต้องมีใครสอนของพวกนี้มันเป็นนิสัยสันดานของจิตของจิตทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นี่ก็คื อ, คอที่มาที่ไป ของการแสวงหาความสุขต่างๆถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะแสวงหาความสุขไปตามอานาจของกามรรตหาคือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าความสุขทางร่างกายที่จะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเมื่อต้องมีการเติมอยู่เรื่อยๆก็เรียกว่าต้องมีความเหน็ดเหนื่อย ความเหน็ดเหนื่อยก็เรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเช่นการทำงานหากินทำมาหากินหาเงินหาทองนี้ก็ไม่ใช่เป็นความสุขแต่ทุกคนรู้ว่าต้องทำกันถ้าอยากจะมีความสุขถึงแม้ว่าความสุขนั้นจะเป็นความสุขชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่มีเลยก็เลยต้องดิ้นหางานหาการทำกันหารายได้เพื่อที่จะมาใช้ ในการหาความสุขและในการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการหาความสุขก็คือร่างกายนี้แต่ไม่ว่าจะหาได้มากน้อยเพียงไรร่างกายนี้ก็จะต้องมีวันเสื่อมไปตามกฎของธรรมชาติก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆความสามารถในการหาความสุขก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึง จุดที่ไม่สามารถหาความสุขได้ต่อไปก็รอเวลาให้ร่างกายนี้หมดสภาพไปแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ตามอำนาจของบุญกรรมที่ได้ทำไว้ถ้าเป็นอำนาจของบุญก็ได้ไปสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมถ้าได้อานาจของบาปของกรรมก็จะไปได้ร่างกายของเดชะชานของเปร ของนโรกเป็นต้นแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างที่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญไม่พระองค์ไม่สามารถมีพระพุทธศาสนามาทรงบอกทางให้ได้พระองค์เลยต้องเป็นผู้หาทามเองถ้าไม่มีคนอย่างพระพุทธเจ้าที่มีความขวนขวายที่มีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอยากจะหาความสุข ที่ไม่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาจะไม่มีพระพุทธศาสนามาให้เป็นแสงสว่างนำทางให้แก่พวกเราแต่ก็มีคนอย่างพระพุทธเจ้าแต่อาจจะมีจำนวนน้อยนานๆถึงจะมีปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของโลกสักครั้งหนึ่ง อ๋อพระพุธเจ้าหลังจากที่ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆและทรงรู้ว่ายัางไม่สามารถสอนให้พระองค์ได้พบกับความสุขชนิดที่ไม่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองแล้วในที่สุดพระองค์ก็สามารถค้นพบว่าวิธีนี้มันง่ายเหลือเกิน คือทรงรู้ว่าความสุขที่มันต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่ามันมีรอยรั่วนั่นเองเหมือนกับน้ำที่มีตุ่มน้ำที่มีรอยรั่วถ้าไปอุดรอยรั่วเสียมันก็หมดเติมน้ำทีเดียวน้ำก็จะไม่มีวันพร่องอีกต่อไปใจของเราก็มีรอยรั่วเหมือนกันใจของเราที่เป็นที่เติมความสุขที่ถาวร น, นี้ แต่ยังไม่สามารถเติมให้มันอยู่อย่างถาวรได้ก็เพราะว่าใจของเราก็มีรอยรั่วเหมือนตุ่มน้ำนี่เองรอยรั่วนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้สรงค้นพบรอยรั่วนี้พระองค์ทรงเรียกว่าตันหานี่เองมีสามรอยมีสามรู ด, ด้วยกันคือหนึ่งกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหะ กามตัญหาก็คือความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายภาวะตัญหาก็คือการอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นอยากล่ามอยากรวยวิภวตัญหาก็คือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่อยากไม่เป็นขอทานอย่างนี้เรียกว่าวิภวตัญหา ถ้ามีความอยากทั้งสามนี้อยู่ภายในใจก็จะทำให้ความสุขที่เราเติมด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธินี้จากห่องหมดไปเช่นเวลาเราอยู่ในสมาธิเรามีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจพอเราออกจากสมาธิมาลอยรั่วมันก็เริ่มทำงานปัญหาก็เริ่มออกมา ออกจากสมาธิมาพอคิดถึงตู้เย็นก็อยากจะเปิดดูว่ามีอะไรดื่มมีอะไรรับประทานทั้งๆ ท, ที่ยังไม่จําเป็นจะต้องดื่มจําเป็นต้องรับประทานถ้าดื่มแล้อรับประทานด้วยความอยากก็เท่ากับการทํางานของรอยรั่วของใจทําให้ความสุขที่ได้จากสมาธิจากความสงบนี้หดหายไปถ้าไม่ถ้าไม่อุดรอยรั่วนี้ ความสุขที่ได้จากสมาธิเดี๋ยวก็ต้องหมดพอหมดก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ถึงจะได้ความสุขเหมือนเดิมนี่นี่คือระดับของโนกิยะของระดับสมาธิพอออกจากสมาธิมาถ้าปล่อยให้ตันหาทำงานตันหาก็จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบ ทีนี้มีพระพุทธเจ้านี่แหละที่ทรงมาเห็นปัญหาตรงนี้เห็นจุดนี้เองว่าทำไมความสุขที่ได้จากสมาธิจึงหายไปหมดก็เพราะว่ามีความอยากนั่นเองพระองค์ยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระยังอยากมีอยากเป็นยังอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยู่ก็องเลยต้องค้นคว้าต่อไปว่า แล้ววิธีที่จะกำจัดความอยากนี้ทำอย่างไรก็ส่งให้พิจารณาวัตถุที่ไปอยากได้ว่าเป็นอย่างไรเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขหรือให้ความทุกข์กันแนะ่เมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นว่าให้ความสุขก็เพียงเดียวเดียวแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาเพราะสิ่งที่ได้มา จะต้องเปลี่ยนไปจะต้องเสื่อมไปจะต้องหมดไปเวลาเปลี่ยนไปเวลาเสื่อมไปเวลาหมดไปเวลานั้นความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็จะหายไปพระองค์ก็ทรงเห็นอนิจจังนี่คือความไม่เที่ยงแล้วก็ทรงเห็นอนัตตาว่าแล้วไปห้ามเขาได้หรือเปล่าไปบังคับให้ให้เขาเปลี่ยนได้หรือเปล่าให้เขาดีเหมือนเดิม มือนซื้อรถยนต์มาวันแรกให้มันเหมือนวันแรกไปตลอดได้ไหมไม่ต้องเข้าอู่ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเปลี่ยนรถได้หรือเปล่าขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าอู่แล้วเดี๋ยวมันก็ซ่อมไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนคันใหม่มันก็เจอแบบเก่าอีกก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจึงทรงเห็นอนิจจังเห็นอนัตตา แล้วก็เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความที่มันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเพราะใจของเรามันอยากไม่ ใ, น ใ, น hmm. ให้มันเป็นอนิจไม่อยากให้มันเป็นอนิจจังไม่อยากให้มันเป็นอนัตตาเราอยากให้มันเป็นนิจจังเหมือนเดิมซื้อมาวันแรกเป็นอย่างไรก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นสั่งมันได้สั่งให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ ความอยากจึงทำให้เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเป็นตัวที่ไปทำลายความสงบของใจไปนี่คือการพิจารณาพอเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ตันหาความอยากตันหาปัญหาของตันหาก็อยู่ที่ความหลงที่มองไม่เห็นอนิจจังมองไม่เห็นอนัตตามองไม่เห็นทุกขังว่าเกิดจากความอยากนี้เอง พอพุทธเจ้าทรงพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็เลยรู้ปัญหาว่าใจมีรอยรั่วอยู่สามรอยต้องอุดรอยรั่วทั้งสามรอยเลก็ต้องหยุดกามาตัญหาหยุดสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหยุดสแสวงหาความสุขทางลาบยศสารเสริญเพรา ะ, ะหาไปได้อย่างไรมันก็ไม่มีวันพอมันจะต้องคอยเติมอยู่เรื่อย ไปจนถึงวันตายแล้วก็ความเป็นใหญ่เป็นความอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ถึงแม้ว่าจะได้เป็นก็ได้เป็นชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันก็หมดไปเวลามันเสื่อมมันหมดไปก็เจอความทุกข์แบบเดิมอีกก็ต้องหามันใหม่ต้องหาแสวงตำแหน่งใหม่เป็นใหญ่เป็นโตใหม่อีกมันก็จะทุกข์ไปอย่างนี้ไปเรื่อย เช่นเดียวกับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เป็นเหมือนกันมีใครบ้างที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้ามีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะมีความไม่สบายใจเวลาเราคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกสบายใจหรือเรารู้สึกไม่สบายใจนี่แหละคือความทุกข์ เกิดจากตัญหาแต่เวลาเราไม่คิดเราไม่รู้สึกไม่สบายใจเช่นตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเราก็รู้สึกเฉยเฉยแต่พอเราไปเห็นเพื่อนของเราตายไปนี่มันเหมือนกับว่าเป็นเหมือนไปดูกระจกแล้วมันย้อนกลับมาหาที่ตัวเราเอ้เพื่อนเราตายได้เดี๋ยวเราก็ตายได้เหมือนกันเนี๋ยวพอคิดอย่างนี้มันก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา เพราะยังมีความอยากไม่ตายอยู่แต่ถ้ารู้ว่าความอยากไม่ตายนี้เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจแล้วหยุดมันได้วิธีหยุดก็คือต้องยอมรับความจริงยอมรับว่ามันต้องตายเพราะฉะนั้นการอยากไม่ตายจึงเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองโดยใช่เหตุโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ยังตายเหมือนเดิมอยู่ นั้นสู้หยุดความอยากไม่ตายดีกว่ายอมตายดีกว่าเพราะพอยอมตายแล้วจิตสงบจิตเป็นอุเบกขาจิตเป็นปรมังสุขขังขึ้นมาแต่เวลาไม่ยอมตายนี้จิตมันจะดิน้นมันจะต่อต้านมันจะต่อสู้มันจะหาวิธีที่จะทำอย่างไรก็ได้ขอให้มันไม่ตายแต่ทำอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นมีใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่ตายกัน แต่ตายแบบไหนกันส่วนใหญ่ก็ตายแบบดิ้นรนกันตายด้วยความทุกข์กันตายด้วยความหลงตายด้วยความอยากไม่ตายกันมีน้อยคนที่ตายแบบไม่ดิ้นแบบไม่ทุกข์ก็คือพระอริยสงสาวุของพระพุทธเจ้านี้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่ท่านตายอย่างสงบท่านตายอย่างสบายท่านตายอย่างสุขไม่มีความทุกข์ พราท่านเห็นความจริงด้วยปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าอยากให้เขาเที่ยงร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ถึงเวลาเขาจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นไปเหมือนฝนฟ้าอากาศที่ไม่มีใครสามารถไปสั่งไปห้ามได้ว่าให้ตกหรือไม่ตกฝนอยากจะตกเขาก็ตก ฝนก็ไม่อยากจะตกเขาก็ไม่ตกเขาก็มีเหตุมีปัจจัยของเขาที่ทําให้เขาตกหรือไม่ตกเช่นเดียวกับร่างกายที่มีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เขาแก่ทําให้เขาเจ็บทําให้เขาตายจิตผู้มาครอบครองร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามเขาได้นี่คือการเห็นด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าคือการตัดสู้ พระอริยาาสัจสี่ตัสรู้ในไตรลักษณ์นี้เองพอเห็นแล้วก็หยุดความอยากอุดรอยรั่วของใจสามรอยพอใจไม่มีรอยรั่วแล้วเทนี้พอใจสงบปับ๊บมันก็สงบไปอย่างถาวรเป็นปรมังสุขขังไปอย่างถาวร น, นี่คือวิธีตามความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงได้ค้นพบและได้ส่ง ได้เป็นสมบัติของพระองค์แล้วได้พบแล้วความสุขที่ถาวรแล้วพระองค์จึงได้นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่นําเอาไปปฏิบัติก็กลายเป็นพระอาลันตสาวกกันขึ้นมาเป็นจนํานวนมากพวกเราถ้าเราบําเพ็ญปฏิบัติอย่างที่พระอาลันตรสาวกทั้งหลายบําเพ็ญก็คือเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการอุดรอยรั่วทั้งสามรอยนี้ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับความสุขอันนี้อย่างเดียวอย่างครับอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพบอย่างแน่นอนข้อสําคัญก็คือเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาอุดความอยากเหล่านี้เครื่องไม้ที่พระเจ้าเครื่องมือที่พระเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราก็คือทานศีล ภาวนานี้ของกให้พวกเราบำเพ็ญทานศีลภาวนากันให้มากๆให้เต็มที่แล้วรับรองได้ว่าเราจะสามารถอดรอยรั่วของใจทั้งสามรอยนี้ได้อย่างแน่นอนเมื่ออุดได้แล้วก็จะมีแต่ปรมังสุขขังไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายร่างกายนี้ตายไปก็เรื่องของร่างกาย ใจไม่เกี่ยวกับร่างกายใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วใจมีเครื่องมือคือทานศีลภาวนาที่มาใช้ในการอุดรอยรั่วคือตันหาทั้งสามแล้วพอไม่มีรอยรั่วแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมความสุขที่มีอยู่ในใจก็จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปนี่คือผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการที่มีศรัทธา ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นาเอาไปปฏิบัติอย่างแข็งขันอย่างถวายชีวิตเรียกว่าปฏิบัติบูบชาย้อนมอบกายถวายชีวิตให้แก่การปฏิบัติบูบชาเพราะว่าผู้ที่จะได้รับผลไม่ใช่พระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยด้วยกายวา จ, าจาใจของเราก็ตามแต่ผู้ที่จะได้รับผลก็คือตัวเราเอง เพียงแต่อาศัยความเคารพความศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าอยากอยากกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าให้สมกับความความอันมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจัตโลกอย่างพวกเราถ้าเราปฏิบัติบูบชาแล้วเราก็จะได้บูชาพระพุทธเจ้าแลวเราก็จะได้ปรมังสุ ข, ขังไปพร้อมๆกันเลยดัยงนั้นขอให้พวกเรา พยายามผลักดันตัวเราให้ไปในทางนี้ให้ได้พยายามดึงตัวเราให้ออกจากการหาความสุขทางร่างกายให้ได้ให้เราดึงออกจากการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญให้ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นทางสู่ความสุขที่แท้จริงให้เรามาสู่ทางของความสุขที่แท้จริงก็คือทางแห่งทานศีลภาวานานี้ก็การแสดงก็ เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรหนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุ ป, ปกปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติอระโสยธาสภีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาทานสีลิสานิจังวุธาปจายโน จตารโหธรรมาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลาหัสุต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมโดยจะมีคุณหมอเป็นผู้ร่มถาม การนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคําถามคือว่าที่หลวงพ่อเทศเมื่อวานนะคะว่าต้องปฏิบัติให้ได้ญาณทัศนะก่อนเวลาปฏิบัติจึงจะรู้ว่าตัวเองปฏิบัติถึงขั้นไหนแล้วไม่ต้องถามใครเจ้าค่ะคําว่าญาณทัศนะคือขั้นโลกียะญาณใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็แสดงว่าทุกคนที่ปฏิบัติต้องได้โลกียะญาณก่อนใช่ไหมเจ้าคะแล้วจึงเป็นขั้นโลกุตระยานแสดงว่าทุกคนที่ได้โลกียะญาณก็ต้อง ได้ยาพวกทิพ ย, ายา์ญาญญาญต่างๆใช่ไหมเจ้าคะหรือว่าปฏิบัติแล้วไม่ต้องได้ยาเลยก็ได้เจ้าคะคือความคําว่ายานนี้ก็คือความรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนเหมือนกับเวลาที่เราเรียนหนังสือเราจบชั้นมัธยมเราก็รู้ว่าตอนนี้เราจบชั้นมัธยมแล้วเราสามารถก้าวขึ้นสู่ชั้นระดับอุดมศึกษาแล้วนะ นี่คือความหมายถ้าเรายังไม่มั่นใจเราอาจจะไม่กล้าไปเอ็นเรายังอาจจะต้องกลับมาเรียนชั้นมัธยมต่อไปถ้าเราไม่มีความมั่นใจคือเราต้องรู้ว่าเราปฏิบัติแล้วผลที่เราได้นี่เป็นผลจริงหรือผลปลอมวิธีที่เราจะรู้ก็คือต้องทดสอบใจไปเรื่อย เ, อ, ยเอาอะไรมาแย่ากิเลสอยู่เรื่อย เ, รอยเพราะกิเลสนี้มันก็เหมือนกับไฟ บางทีมันดับแล้วแต่มันยังไม่ดับสนิทมันยังคุอยู่เราก็ต้องเอาไม้คุยเขี่ยมันเพื่อจะได้ดูว่ามันยังมีเชื้ออยู่หรือเปล่ายังจะติดหรือเปล่าอันนี้ก็แบบเดียวกันคือการที่จะรู้ว่าเราหลุดพ้นจริงๆหรือไม่เราก็ต้องเอากิเลสที่เราดูเมื่อก่อนเคยเป็นศัตรูกับเรามา มาแย่เราดูดูว่าแย่แล้วมันยังมีปฏิกิริยามีกิเลสตอบโต้หรือไม่ถ้ามันมีก็จะได้รู้ว่ามันยังมีอยู่หรือถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องไปหาให้คนอื่นเขามาคุยเกี่ยกิเลสให้กับเราก็ได้ไปหาคนที่เราเกลียดเราไม่ชอบคนที่ชอบดูถูกดูแคลนดูหมิ่นเรา ไปดูว่าเวลาไปเจอเขาแล้วเขาแสดงกิริยาการอะไรต่างๆที่เราไม่ชอบนั้นเรายังมีปฏิกิริยาต่อต้านมีความทุกข์ใจอยู่หรือไม่อันนี้ก็คือเรียกว่าการทดสอบดูผลของการปฏิบัติของเราถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีอะไรแล้วนั่นแะเอเราบา อ, อ่าอเนี่ยเราเกิดยานนะทัศนะแล้วว่าไม่มีอีกแล้ว ใครจะด่าใครจะว่าใครจะดูถูกดูหมิ่นดูแกลนงอย่างไรใจมันก็สักแต่ว่ารู้ปเจจัยพอเข้าใจไหมก็ย<ข> อ, อย่าถามว่าโลกิยะแล้วโลกุตตะอะไรเพราะว่ามันอ๋อค่ะเจ้าค่ะนี่อันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ข่านโลกุตตละมากกว่า อยู่ขั้นว่าเนี่ยขั้นโสดาเราโสดาแน่หรือโสดาอยู่ <laughs> <laughs> เหมือนเป็นอรหันยังเป็นอรหันต์นกหวีดหรือเปล่า <laughs> เคยเล่านิทานเรื่องอรหันต์นกหวีดให้ฟังแล้วเนี <laughs> ่ยเอาแสดงว่าถึงท่านโล ก, กุตละก็แจงว่ า, า จ, จะไม่ได้ญาณเหรอเจ้าคะ ค, คำว่าญาณก็คือความรู้ความเห็ น, นไงรู้ว่าเราได้หลุดพ้นแล้วหมายถึงญาณทาง ตาค่ะหูทิพย์อ๋อไม่ไม่น่าไม่ใช่ยา น, นี่เราพูดถึงปัญญายานอ๋อปัญญายานสวัสดิยายานค่ะคำถามที่สอ ง, องเจ้าค่ะถามเรื่องพระโสดาบันเจ้าค่ะว่าพระโสดาบันคือผู้ที่ละปล่อยวางกายได้ใช่ไหมเจ้าคะก็แปลว่าก็ไม่ต้องรักสวยรักงามในร่างกายแล้วถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะคือปล่อยในส่วนของความแก่ความความความเจ็บความตาย คือไม่กลัวตายไม่กลัวความเจ็บแต่ยังมีการมาราคะอยู่อันนี้เป็นส่วนที่ยังรักสวยรักงามอยู่โดยเฉพาะความสวยงามของผู้อื่นความสวยงามของตนอาจจะไม่สำคัญแต่ชอบยังชอบดูภาพสวยๆดูรูปสวยๆยังอยากจะมีความสุขจากการที่ได้ร่วมหลับนอนกับคนที่หน้าตาดีถูกปกถูกใจเราอยู่ นี่เรียกว่าเป็นการมาราคะไม่ใช่เป็นสักยทิติสักยทิติคือความหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพอเราคิดว่าเป็นของเราเราก็ไม่อยากจะให้มันถูกทำลายไปแต่มันพอมันจะถูกทำลายไปเราก็จะทุกข์พราะเราเกิดความอยากไม่ให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาตายพอเราเห็นว่า เป็นเป็นความทุกข์ความอยากไม่ไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาเจ็บนี่เป็นความทุกข์แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นเราเราไปทุกข์แทนเขาทำไมเราก็หยุดเราก็ปล่อยให้เขาแก่ให้เขาเจ็บไปให้เขาตายไปถึงแม้ว่ายอมรับความแก่แต่ยังขอแก่แบบคนสวยอยู่ <c oughs> เข้าใจไหยใ่จ้สวยได้ไค่ะเ <c oughs> จ็บก็ขอให้เจ็บแบบคนสวย <c oughs> ตายก็ขอให้ตายแบบคนสวยหลวพ่อเจ้าค่ะหนูมีสี่คำถามแต่ว่าถามไปเถอลยเลยเอาให้พรเลยข้อที่สามเจ้าค่ะหมอผ่าตัดเสริมความงามนะคะแล้วก็ให้กับคนไข้ให้สวยขึ้นซึ่งหมอก็เป็นผู้ช่วยส่งเสริมทําให้นําไปสู่ความหลงในรูปร่างกายของตนมากขึ้นกรณีอย่างนี้เนี่ยหมอเองก็จะได้บุญหรือบาปเจ้าค่ะเพราะไปส่งเสริมกิเลสเจ้าค่ะและ เคยว่าเอออีกข้อหนึ่งด้วยอันนี้ข้อนี้ก่อนจ้ะคะก็มันก็แล้วแต่จะว่าสง่งถ้าว่าส่งเสริมกิเลสของเขามันก็ไม่ควรจะส่งเสริมแต่ถ้าคิดว่าเป็นการทำอาชีพทำหน้าที่ของเราคนเขายังอยากมีความสวยความงามอยู่แล้วก็เป็นการกระทำที่ไม่ผิดกับศีลห้ามันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แล้วขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของเราก็แล้วกันถ้าเรามีจิตสำนึกสูงไม่อยากจะส่งเสริมกิเลสเราก็คงจะต้องไปบวชนั่นะถ้าเรายังมีอาชีพอยู่อาชีพไหนส่วนใหญ่มันก็ส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นน่ะเจ้าค่ะค่ะข้อเดียวกันนะคะอันนี้ข้อสามเคยเคยผ่าตัดคนไข้เจ้าค่ะ เ, เป็นผู้หญิงแล้วก็เขาก็าให้ยาหลับไปแล้วนะเจ้าคะ แล้วก็สักพักก็มีเสียงเด็กผู้ชายอะค่ะพูดออกมาขณะผ่าตัดนะคะแล้วก็คุยกับเราเนี่ยตลอดการผ่าตัดเลยอะค่ะแล้วก็ถามเราเด็กเขาบอกว่าเขาเป็นกุมารทองเจ้าค่ะแต่เราก็บอกเขาว่าไม่ใช่หรอกเขาเป็นผีนะคะแล้วก็เคุยกันสักพักนึงได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะสูบแล้วเขาเป็นผีไหมเจ้าคะ<บ>หรือหรือว่าแสดงว่าวิ ญ, ญญาณสามารถซ้อนทับอีกวิญ ญ, ญาณหนึ่งในร่างเดียวได้ไดเจ้าคะเมื่อจิตเจ้าของร่างอ่อนแอเจ้าค่ะเป็นจิต ด, ดวงเดียวกันนั่นแหะ แต่จิตดวงนี้เคยเกิดเป็นหลายภพหลายหลายหลายมิติเคยเป็นนั้นเคยเป็นนี่มาแล้วความจำในความเป็นแบบนั้นยังค้างค้างอยู่ในจิตใจเหมือนกับคนที่เป็นดาราภาพยนตร์ที่เคยเล่นภาพยนตร์หลายเรื่องหลายบทด้วยกันจำบทของตนได้และบางทีถึงแม้ว่าจะเล่นไปผ่านไปหลายหลายปีแล้วก็ยังเล่นบทนั้นได้อยู่จิตเรานี้เป็นตัวแสดงตัวละคร ที่ในแต่ละพบแต่ละชาตินี้เกิดมาจะเป็นอะไรต่างๆกันไปแล้วมันก็ฝังอยู่ภายในใจเวลามันเข้าสู่ในระดับที่ไม่มาเกี่ยวข้องกับทางร่างกาย mm. เช่นทุกวางยาสลบหรือเวลานอนหลับเนี่ยเวลามันฝันเนี่ยมันจะฝันไปได้หลายรูปแบบด้วยกันมันเป็นจิตไม่มีไม่มีสิ่งใดที่จะมาแฝงเข้ามาในจิตเราได้ ไม่มีอะไรที่จะมาเข้าทรงเข้าเจ้าอะไรได้มันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเจ้าค่ะข้อสุดท้ายนะคะเออก่อนที่จะนั่งสมาธิสมัยก่อนเนี่ยค่ะก็จะหลับตาแล้วก็ขอเชิญดวงวิญญาณเล่ร่อนหรือว่าสัมภเวสีทั้งหลายเนี่ยมาร่วมฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้าด้วยนะคะแต่ว่าพอพอขอไปนานก็มาแบบเหมือนกับข้างหลังเรามีความรู้สึกว่าเข้ามากันเป็นพันๆ ร่างกายเลยเจ้าค่ะเป็นรูปของคนเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็ขนลุกสู้เลยค่ะแล้วก็แต่เราก็พยายามสวดมนต์ขอแบบเนี้ยทุกครั้งให้เขามานะคะก็คืออย่างนี้ความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นอุปทานหรือว่าเขามาจริงเจ้าค่ะส่วนใหญ่เป็นอุปทานทั้งนั้นเน่ะถ้าเป็นของจริงต้องคุยกับเขาได้ต้องถามเขาว่าไปไหนมาไหนเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าคุยกันได้เนี่ถึงจะถือว่าเป็นของจริงอือเจ้าค่ะ หมดคำถามเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ่ายอยากจะถามทางนี้หลวงพ่อเจ้าคะเวลาปฏิบัติเจ้าค่ะแล้วตอนกลางคืนเจ้าค่ะเวลาลุกขึ้นมากลางคืนนะคะจะเห็นแสงเจ้าค่ะเป็นแสงเป็นควันสีเขียวแล้วลูกไม่รู้ว่าลูกจะมองหรือลูกจะไม่มองดีเจ้าค่ะ แต่พอทุกครั้งที่ลูกมองลูกก็จะกลัวเจ้าค่ะแต่บางครั้งลูกพอแสงหายไปอย่างเงี้ยลูกก็จะรู้สึกว่าเออทําไมมันหายไปก็เหมือนไปยึดกับมันพอเราปล่อยมันลูกก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเห็นอะไรไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามที่ไหนก็ตามเวลามืดหรือเวลาสว่างอย่างเวลาตอนนี้ที่เราเห็นเห็นอะไรท่านบอกให้พิจารณาให้เป็นใจลักไปให้หมด เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไปห้ามไปไม่ได้ถ้าถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือเราไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ฉะนั้นขอให้เราพิจารณาว่าเขาเป็นเหมือนธรรมชาติเหมือนฝนเหมือนลมพัดให้รู้แล้วก็ปล่อยวาง เราใจเราก็จะไม่วุ่นวายใจของเราก็จะสงบมีเท่านั้นเหละเป็นคำถามเดียวเขาใจไหมแล้วเราจะมองหรือไม่มองเจ้าครับ า, ถ, าถ้าเราไม่กล้ามองก็หลับตาเสียเราก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าเราเกิดความกลัวก็ใช้การเจริญสติคือบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่าทรงจิตเราไปหาสิ่งที่เรากลัว แล้วสิ่งนั้นมันก็จะไม่ได้เข้ามาภายในใจพอใจไม่ได้คิดถึงเขาใจก็จะหายกลัวจิตใจก็จะกลับเข้าสู่ความเป็นปกติเข้าสู่ความสงบได้แล้วถ้าลูกอยากมองเหรอเจ้าค่ะมองก็น่ามองด้วยปัญญาว่าเป็นตายแล้วแล้วเห็นเป็นภาพใดก็สักแต่รู้หรือเปล่า เ, <ช>เจ้าค่ะสักแต่รู้ให้รู้เฉยๆอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปหลงอย่าไปกลัว หลงก็คือไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอหลงแล้วก็จะเกิดความรักความชางังความกลัวขึ้นมาให้รู้ว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นอนัตตาเราไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราชอบเราอยากจะให้เขาอยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็าหายไปเราก็จะเสียใจเราไม่ชอบอยากจะให้เขาหายไปเร็วๆ เ, เขายังไม่หายไปก็เครียดก็ทุกข์ ถ้าเราดูเฉยๆดูว่าเขาเป็นอย่างนั้นละ่ะเราไปทำอะไรเขาไม่ได้มีอยู่สองทางเลือกถ้าไม่ชอบไม่อยากจะดูก็หลับตาเสียแล้วเดินหนีไปแล้วถ้าอยากจะดูก็ดูสักแต่ว่าดูไปอย่ามีอารมณ์กับสิ่งที่เราดูเข้าใจน ะ, ะ, ะคำถามทางอินเทอร์เนต็ตต่อ ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเ c e b o ๊ k พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและทางกลุ่มธรรมะบนเขานะครับคำถามแรกจากคุณบีบอยนะครับผมมีลูกอยู่หนึ่งคนตอนนี้อายุสองขวบตั้งแต่ผมเลิกกินเหล้าผมก็เข้าวัดฟังธรรมจนวันหนึ่งได้มาฟังธรรมกับพระอาจารย์ที่เขาชีโอนแล้วเกิดความศรัทธาตอนนี้ก็เริ่มปฏิบัตินั่งสมาธิแต่ผมก็ต้องทางานประจาด้วย จึงไม่มีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าในอนาคตอีกไม่นานผมไปบวชจะเป็นการเห็นแก่ตัวไหมครับและบาปไหมถ้าทิ้งให้เมียเลี้ยงลูกตามลำพังมันก็เหมือนกับพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านออกบวชในขณะที่ภรรยาของท่านได้คลอดพระราชโชรสออกมาก็ไม่เห็นบาปตรงไหนกลับได้เป็นพระพุทธเจ้า ถ้าอยู่กับภรรยากับลูกก็ได้เป็นมหาจากักรพรรดิก็ไม่เห็นมีปัญหาตรงไหนอยู่ที่ตัวเราว่าเราไปได้หรือเปล่าเสียมากกว่าบางทีเราไปไม่ได้ก็เลยไปอ้างลูกอ้างเมียก็ได้ <c oughs> คนที่ไปได้เขาไปแล้วไม่มีใครเขาอยู่หรอกเพราะว่ามันอยู่มันเหมือนอยู่ในกองไฟ คนที่มีปัญญาจะเห็นว่าชีวิตของผู้คลองเรือนนี่เป็นเหมือนกองไฟกองทุกข์คำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับปฏิบัติแล้วปวดหลังตรงกลางระหว่างสะบักทำให้จิตจดจ่ออยู่กับตำแหน่งนั้นจนใจไม่สงบรู้สึกตัวอีกทีก็คิ้วขมวดทุกครั้งหากนั่งหลังคุ้มงอจับบันเทาปวดลงได้เล็กน้อย แต่พยายามฝืนให้หลังตรงทุกครั้งเมื่อปลายปีห้าสี่เคยทนจนมันมีอาการเหมือนความเจ็บปวดเป็นลูกโป่งที่ถูกเจาะแล้วความเจ็บปวดหายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ด้วยความเพียรต่ำทำให้ห่างการปฏิบัติไปนานในตอนนี้พยายามจะปฏิบัติใหม่ความเจ็บปวดนั้นกลับมาอีกครั้งและก็ไม่หายไปแล้วถ้ามีสติ ด, ดีก็จะผ่านความเจ็บปวดได้ เช่นถ้าใจเราจดจอ่ออยู่กับการบริกรรมพุโทโธอย่างต่อเนื่องจนใจไม่สามารถไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายได้ใจก็จะไม่มีปัญหากับความเจ็บนั้นปัญหาก็คือใจเราไม่มีสติที่มั่นคงบริกรรมพุโทโธได้ไม่กี่คำก็ไปนึกถึงความเจ็บพอไปนึกถึงความเจ็บก็เกิดการปรุงแต่งเกิดวิภาวะตัณหาอยากให้ความเจ็บหายไป ก็เลยยิ่งเกิดความเจ็บเพิ่มขึ้นมาภายในใจจนในที่สุดก็เลยไม่สามารถนั่งต่อไปได้แต่ถ้ามีสติที่สามารถควบคุมใจให้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องความเจ็บนั้นก็จะห่างไปเรื่อยๆห่างไปจนกระทั่งหายไปจากใจมันอยู่ที่ร่างกายมันไม่ได้อยู่ที่ใจแต่ใจไปหามันเองพอไปหามันก็เลยเจ็บแทนร่างกาย แล้วก็เกิดความอยากให้มันหายพออยากแล้วมันไม่หายมันก็ยิ่งเจ็บขึ้นมาที่ใจใหญ่เพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ก็คือต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆก่อนที่จะมานั่งมันฝึกสติให้สติมีอย่างต่อเนื่องพอเวลามานั่งก็จะได้ไม่ส่งจิตไปคิดถึงความเจ็บของของทางร่างกายแล้วจิตก็จะผ่านความเจ็บเข้าสู่ความสงบได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณวิลาลัยนะครับให้พระอาจารย์อธิบายยารู้เห็นตามความเป็นจริงสี่ข้อโดยสามรอบสิบสองอาการอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจทางปฏิบัตินี้เราขอให้รู้อยู่ข้อเดียวเท่านั้นเองรู้ว่าตอนนี้ทุกข์หรือไม่ทุกข์อยากหรือไม่อยากเท่านั้นเองครับปัญหามันอยู่แค่ตรงนี้อยู่ที่ทุกข์หรือไม่ทุกข์อยากหรือไม่อยาก ถ้าทุกข์ก็ต้องให้รู้ว่ามันเกิดจากความอยากอันไหนแล้วหาความอยากนั้นแล้วก็หยุดความอยากนั้นให้ได้ด้วยปัญญาความทุกข์ก็จะหายไปส่วนจะมียากี่รอกกี่ชนิดก็ไม่ไม่สําคัญแต่ไม่ปฏิเสธมีได้แต่มันเป็นเรื่องของอความละเอียดซึ่งเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ต้องรู้ละเอียดถึงขนาดนั้น เหมือนกับเวลาที่เราขับรถยนต์เราต้องไปรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เครื่องบุนเครื่องยนต์หมุนกี่รอบความเร็วเท่าไหร่เราไม่ค่อยสนใจขอให้มันวิ่งไปได้ตามที่เราต้องการถ้ามันวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าหรือให้มันหยุดได้เราก็พอใจแล้วการปฏิบัติก็ให้รู้แค่เนี้ยให้รู้ว่าตอนนี้เราทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกแล้วเราหาต้นเหตุของความทุกข์ได้หรือเปล่าหาได้แล้วเราหยุดความเร า, เราละต้นเหตุ น, นั้นได้หรือเปล่า ทำให้ความทุกข์นั้นหายไปได้หรือเปล่าแค่นี้ก็พอแล้วให้รู้แค่นี้ละคำถามข้อต่อไปนะครับความเชื่อที่ว่าของที่จะถวายพระสงฆ์ต้องเป็นของที่ดีที่สุดถูกต้องหรือไม่ยกตัวอย่างจากคนที่รู้จักจะถวายผ้าไตาจีวรแด่พระสงฆ์ก็ต้องดีที่สุดแพงที่สุด ถือว่าเป็นการเพิ่มกิเลสให้แก่ตนและผู้รับหรือไม่คือการที่เราทําอะไรเนี่ยการที่เราทําเราอยากจะทําให้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นการส่อเจตนาของใจเราว่าเรามีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อบุคคลที่เราอยากจะให้ อยากจะให้ความช่วยเหลือหรืออยากจะให้อะไรกับเขามันเป็นการคล้ายๆว่ายกระดับจิตของเราให้เรามีความเสียสละที่สูงโดยปกติเราจะมีความเสียสละต่ำคือเราจะสละได้ในของที่เราไม่ใช้เราไม่ชอบเช่นขยะนี้เราเอาเราให้คนอื่นเสมอแต่ความรู้สึกที่ได้จากการให้ขยะกับการให้ของที่ดีที่สุดเนี่ยมันต่างกัน เวลาเราให้ของที่เรารับที่เราคิดว่าดีที่สุดแก่ผู้อื่นนี้จิตใจของเราจะมีความสุขมากนี่คือเป้าหมายของการให้เพื่อให้เกิดความสุขใจขึ้นมาส่วนจะไปเสริมกิเลส ข, ของผู้รับหรือไม่นั้นเราไม่ควรที่จะไปกังวล ม, มันเป็นเรื่องของผู้รับเขาที่จะต้องต่อสู้กับกิเลส ข, ของเขาเองถ้าถวายกับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์นี้ท่านไม่มีกิเลส ถวายดีขนาดไหนท่านก็ยังว่าไม่ดีอยู่นั่นนะเพราะว่าท่านมีของที่ดีกว่าท่านมีปรมังสุขขงังฉั้นจะถวายให้กับท่านนี้ให้ดีที่สุดเพื่อตัวเราเองเพื่อให้เราได้สละของที่เราลักที่เราหวงมากที่สุดเพราะาถ้าเราสละได้เวลาที่เราจะต้องสูญเสียเขาในอนาคตนี้เราจะไม่ทุกข์เราจะมีความสุขนี่คือการฝึกฝึกให้เรารู้จัก เสียสละรู้จักตัดความยึดมั่นถือมั่นพอไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วถ้าเราทำตอนนี้ได้ด้วยความสุขใจพอถึงเวลาที่เราจะต้องสูญเสียเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะมีความสุขใจนี่คือเจตนาหรือเป้าหมายของการให้สิ่งที่ดีต่อผู้อย่าไปคิดถึงเรื่องการ ส่งเสริมกิเลส ข, ของผู้อื่นเพราะว่ามันนี่คือกิเลส ข, ของเราเริ่มขัดขวางการทําบุญของเราแล้วพอจะทําอะไรสักอย่างนี้มีปัญหามากมายก่ายกองขอให้ระวังตัวนี้ไว้ทําให้เราไม่สามารถทําบุญได้สักทีพอจะให้ใครก็กลัวไปส่งเสริมกิเลสเขาสเสียก็เลยไม่ให้ก็เลยมาส่งเสริมกิเลส ข, ของตัวเองแทน <laughs> คำถามข้อต่อไปนะครับบุญบาปเกิดที่ใจดังนั้นหากทำบุญด้วยจิตแจ่มใสสะอาดก็จะได้บุญมากหรือน้อยตามสภาวะในใจเราหากทำบุญแต่ละอัตตามานะความอยากได้ไม่ได้ก็จะทำให้พื้นที่ความแจ่มใสในใจลดน้อยลงตามสัด ส, ส่วนของอัตตามานะความอยากเอาความรู้สึกในใจเป็นตัววัดถูกต้องหรือไม่ ก, การทำบุญก็เพื่อล่า ก, กิเลสปัญหาความโลภความโกรธความหลงถ้าทำด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะได้บุญมากถ้าทำด้วยจิตที่ยังมีความโลภเช่นทำแล้วอยากจะได้ผลตอบแทนจากผู้รับใจก็จะมีอุปทานรอรับสิ่งตอบแทนถ้าไม่ได้รับก็จะเสียใจแทนที่จะได้ความสุขได้บุญก็กลับได้ความไม่สบายใจกลับคืนมา เวลาให้จึงควรจะให้แบบไม่มีความหวังที่จะได้รับอะไรตอบตอบแทนกลับมาให้เพื่อผู้รับโดยถ่ายเดียวขอให้ผู้รับมีความสุขเท่านั้นพอแล้วผู้ให้ก็จะมีความสุขเต็มที่แต่ถ้าให้เพื่อให้ผู้รับทำอะไรให้กับเราอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เป็นการทำบุญแล้วเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเป็นเหมือนกับการค้าขายเช่นเวลาเราไปที่ร้าน เราให้เงินเขาแล้วเขาก <He S 2> ็ให้ของเรามาเขาก็ให้เราก็ให้แต่ไม่มีความสุขใจทั้งคู่รู้สึกเฉยเฉยเพราะว่ามันไม่ได้ให้ด้วยความที่ไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนเช่นเราไปที่ร้านให้เงินเ้าแล้วเราขอไม่เอาของเราก็จะเราก็จะได้ความสุขแล้วเราไปที่ร้านแล้วเขาก็ให้ของเราแล้วบอกไม่เอาตังเราเนี้ยเขาก็จะได้ความสุขกระจายนะ จะต้องให้ไม่ต้องการผลตอบแทนไม่ต้องการรับอะไรเป็นเป็นสิ่งตอบแทนถึงจะได้บุญถึงจะเรียกว่าเป็นบุญคือหมายถึงวัดวัดว่าได้บุญมากน้อยแค่ไหนวัดที่ความเบิกบานของใจด้วย่ไหมครับอาจารย์ใช่ก็อยู่ที่ว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสคนเราบางทีให้ยังให้ด้วยกิเลสยังมีอัตราตัวตนเช่นให้ต้องไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ หรือต้องติดชื่อตรงนั้นติดชื่อตรงนี้อันนี้แสดงว่าให้อย่างมีเงื่อนไขพอเขาไม่ได้ทำตามเงื่อนไขเราก็จะเสียใจความสุขที่จะได้ก็หายไปกลับได้ความทุกข์กลับมาอันนี้แสดงว่าทำบุญไม่เป็นหรือไม่ได้ไม่ได้เป็นการทำบุญอย่างแท้จริงเป็นการทาบุญอย่างแท้จริงต้องไม่ไปสนใจว่าให้เขาแล้วเขาจะไปทำอะไร พระอาจารย์ครับพระาอาจารย์เมตตาสอนวิธีวางจิตระหว่างทําบุญกับพระนะครับว่าว่าควรจะวางจิตยังไงว่าควรจะทําบุญกับพระองค์นี้องค์นั้นหรือว่าเราควรจะทําบุญกับสงฆ์นะครับอาจารย์คือมันก็มีมีอะไรมีความแตกต่างกันหลายลักษณะด้วยกันจะบอกว่าอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้อย่างดีดีกว่าอย่างนั้นมันก็พูดยาก แต่ถ้าจะพูดโดยรวมก็ถ้าทำบุญกับพระพุทธเจ้านี้ก็จะได้บุญสูงสุดลองลงมาก็พระประเจ ก, กับพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอาา ร, ร, ะอระยะบุคคลขั้นต่างๆจนมาถึงพระที่ชำนาญในสมาธิพระที่มีความบริสุทธิ์ในการรักษาศีลแล้วก็เป็นพระธรรมดาพระเพิ่งเริ่มบวชใหม่ท่านเหล่านี้ก็มี ความสะอาดนมีความสามารถแตกต่างกันไปเหมือนกับเด็กนักเรียนที่เรียนชั้นต่างๆกันถ้าเราไปทำบุญกับเด็กชั้นอนุบาลเราก็จะได้รับความรู้ระดับอนุบาลจากเด็กนั้นถ้าเราไปทำบุญระดับปรัญญาเอกเราก็จะได้รับความรู้ระดับปัญญาเอกจากบุคคลนั้น<ะ>อันนี้ก็คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรา ไปทําบุญกับบุคคลต่างๆอันนี้เป็นผลที่สองผลแรกนี้อย่างที่พูดเมื่อกี้นี้คือเราได้รับความสุขใจถ้าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ว่าจะทํากับใครผลนับจะเท่ากันคือความสุขใจคือเราให้ความสุขกับเขาให้เขามีความสุขแล้วเราก็จะได้เกิดความสุขใจขึ้นมาไม่ว่าจะทํากับระดับมนุษย์บาลหรือระดับปริญญาเอกความสุขใจนี้ก็จะเท่ากัน ส่วนผลตอบแทนที่จะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำด้วยนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่านั้นถ้าเราไปทำกับคนที่มีความรู้ความสามารถมากเช่นพระพุทธเจ้าท่านอาจจะพูดคำสองคาแล้วเรามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาก็ได้เพราะท่านมีความรู้ความสามารถในการสั่งสอนท่านมีความสามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาของเรา ที่ท่านสามารถพูดหย่เข้าไปจี้ใจดำเราได้จนทำให้เราสามารถแก้ปัญหาของเราได้อย่างทาตาเห็นอันนี้คือความสามารถของของบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าถ้าไปทำบุญกับพระธรรมดาที่ยังไม่รู้ปัญหาของตนเองเลยแล้วจะไปแก้ปัญหาของคนอื่นได้อย่างไรก็จะไม่ได้รับการได้ไม่ได้รับประโยชน์ทางนี้ นี่คือลักษณะของการทําบุญต่อบุคคลต่างๆที่มีความแตกต่างกันแต่ก็มีที่มาอีกอย่างว่าให้ทําบุญกับสง ค, คำว่าสงนี้ก็คือส่วนรวมคือหมายถึงพระทั้งหมดในวัดคือทําบุญกับพระทานระผู้สรุปง่านก็คือทํากับพระศาสนาคือเราไม่ได้เจาะจงทํากับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เช่นเวลาญาติโยมสร้างกุฏิสร้างศาลานี้ไม่ได้ถวายให้กับพระรูปใดรูปหนึ่ง แต่สร้างให้เป็นสมบัติของาศาสนาอันนี้เรียกว่าถวายสงฆ์เนี่ยอย่างนี้ก็มีความจำเป็นต้องทำมันขึ้น้วแต่กรณีว่าในกรณีใดเราควรจะถวายกับสงฆ์ในกรณีใดเราควรจะถวายกับบุคคลก็แล้วแต่ว่ามันมันมันมีกรณีดใดเช่นเราอยากจะหาพระอาจารย์สอนเราเนี่ยเราไปหาพระองค์เดียวก็พอไม่ต้องไปหาพระสิบลูปมานั่งสวนอิติปิโสให้เราฟัง ใช่ไหเพราะเราไม่ต้องการให้พระมาสวดให้เราฟังะแต่ถ้าเวลาเราจะบวชเนี่ยพระองค์เดียวบวชให้เราไม่ได้เราต้องมีพระสิบรูปขึ้นไปดั้นมันก็ขึ้นอยู่กับกรณีการทําบุญมันก็ต้องทําแบ่งไปแบ่งมาบ้างพระสงฆ์ก็ต้องทําเพราะว่าศาสนาเป็นที่อยู่ของพระเป็นที่อยู่ของอาจารย์ของเราเป็นที่เกิดของครูบาอาจารย์ของเราถ้าไม่มีศาสนาไม่มีพระสงฆ์มา มาบวชให้กับครูบาอาจารย์ของเราเราจะมีครูบาอาจารย์มาสั่งสอนเราได้อย่างไรมันก็เลยต้องทำทั้งสองรูแปแบบต้องรู้จักแยกแยะต้องรู้จักเลือกแล้วต้องรู้จักเลือกพระดีกับพระไม่ดีด้วยพระไม่ดีเราก็ก็ปล่อยให้ท่านอยู่ตามสภาพของท่านไปเพราะถ้าไปส่งเสริมท่านก็ทงเสริมให้ท่านทำความไม่ดีต่อไปอาจจะมาทำลายศาสนาให้เสื่อมลงไปเร้เร็วขึ้นก็ได้ น, นี่คือการทําบุญต่อบุคคลต่างๆเราต้องรู้จักแยกแยะว่าควรจะทําอย่างไรอย่างไหนควรไม่ควรแล้วก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราต้องการอะไรบางคนต้องการถวายทานไม่สนใจ ใ, ใครรับก็ได้เขาก็ไม่เลือกพระไม่เลือกวัดไปที่ไหนใกล้ที่สุดเขาก็ไปถวายของเขาถวายแล้วเขาก็จบเขาก็มีความสุขสบายใจอันนี้ก็แล้วแต่ แต่และบุคคลจึงไม่เหมือนกันไม่มีสูตรตายตัวในเรื่องการทำบุญให้ทานแต่มีหลักการอย่างที่ได้แสดงไว้ให้ฟังบุคคลจะรู้หลักการนี้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึง่งพอเข้าใจคือคือจะจะใช้การวางกิดอีกอย่างหนึ่งครับพระอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นถวายของแด่พระอาจารย์เนียครับผมก็จะคิดว่าพระอาจารย์ก็คือหนึ่งในสงสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเรา บำรุงพระอาจารย์เนี่ยก็จะทําให้พระอาจารย์มีแรงไปสอนคนอื่นก็ทําให้ศาสนาเจริญก็ถือว่าเป็นการบำรุงพระศาสนาเหมือนกันนะครับอาจารย์มันก็อยู่กับบุคคลเองถ้าเราเป็นคนยังมีความโรคกรดหลงอยู่แล้วก็อาจ้าเงินไปซื้อรถเก๋งไปเที่ยวเมืองนอกก็ได้เออมันก็ไม่แน่ไ <c oughs> <c oughs> ม่รู้จก <c oughs> <c oughs> เอาอะไรนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาอาจมีข้อหนึงอะดีว่า มาด้วยใจคนหนึ่งจะได้ยินคนหนึ่งก็จะได้ยินนะการถวายสังฆทานเนี่ยนะคะเหมือนกันไหมคะกับพระที่ที่เราจะถวายอะคะคือความตอนสมัยนี้สังฆทานมันมีสัสงฆทานแท้กับสังฆทานเทียมเข้าใจไหยสังฆทานแท้ก็คือของที่เราถวายนี้ไม่ได้เจาะจงให้กับคนใดองค์ใดองค์หนึ่งคือให้เป็นส่วนกลางของของของวัด เช่นมีพระศิริรูปพระขาดแปรงสีฟันยาสีฟันก็องใดาขาดก็สามารถมาเอาไปใช้ได้แต่สมัยนี้เราถวายสังฆทานเทียมเราจัดมาเป็นชุดๆแล้วนี่มวลพระมารับพอท่านรับแล้วก็ของขของมันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นสังฆทานแท้เรียกว่าสังฆทานเทียม <c oughs> เข้าใจนะ <c oughs> แต่ถ้าไปตามวัดป่านี่จะเป็นสังฆทานแท้ โดยครูบาอาจารย์อย่างเราเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นตัวแทนของสงฆ์ของของพระทั้งหมดเนี่ยของที่โยมมาถวานี่เดี๋ยวก็เข้าไปที่ห้องเก็บของพระองค์ใดขาดหรืออะไรต้องการอะไรก็มาหยิบไปใช้ได้เป็นของทุกๆองค์ที่อยู่บนเขานี้แล้วถ้ามีเหลือเกินเราก็เอาไปแบ่งให้พระที่อยู่ข้างล่างหรือถ้ า, ถ, าถ้ามากเกินไปก็เอาไปทําบุญให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนของสมเด็จพระสังฆราช หรือที่ไหนที่เขาอดอยากขาดแคลนยากจนช่วงออกพรรษาก็จะมีลูกศสียดลูกหาเขาไปทำบุญตามวัดต่างจังหวัดก็มีของที่เหมาะกับที่จะถวายวัดก็ให้เขาออกไปถวายต่ออีกทีอย่างนี้เรียกว่าสังฆทานเพียงแต่ว่าเราไม่มีพิธีกรรมไม่ต้องมายะถาไม่ต้องมาอะไรไมายังพันเต์เกล่าวคาถวายอะไรอย่างนี้คือเราถือหลัก เป็นธรรมชาติเข้าใจกันนี่คือแนวของวัดป่าท่านจะทําอย่างนี้ของทุกอย่างนี้จะมีครูบาอาจารย์มาเป็นตัวแทนของสงฆ์มารับเพราะว่าจะได้ให้สงฆ์มีเวลาไปภาวนาเพื่อจะได้เป็นอาจารย์ต่อไปถ้าโมแต่มานั่งรับสังฆทานกันก็ไม่มีเวลาภาวนาแล้วก็จะเกิดกิเลสจะจะอยากจะถือเป็นของตนไปผมมารับแล้วก็ต้องเป็นของของผม เดี๋ยวก็กลายเป็นการแย่งสมบัติกันขึ้นมานคกูบาอาจารย์ท่านถึงต้องทําอย่างนี้ของทุกอย่างในวัดนี้กรูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้จัดการเหมดเป็นเหมือนพ่อส่วนพระรูปอื่นนี่ถือว่าเป็นลูกพ่อเป็นคนหาเงินหาทองหาอะไรมาเลี้ยงลูกลูกมีหน้าที่ไปโรงเรียนเรียนหนังสือตอนนี้ยังไม่มีหน้าที่ที่จะมาหาเงินหาทองเข้าใจไหอแต่สมัยนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ใช่เป็นวัดป่า ลูกเดี๋ยวนี้จะมาหาเงินหาทองกันเลยไม่ไปโรงเรียนกันยังไม่มีพระที่เป็นอาจารย์ได้อย่างแท้จริงเขะจายนะโอเคได้อย่างนั้นก็พอดีเวลาก็หมดแล้วก็ขอให้ท่านจงเอานำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปเจริญไปปฏิบัติเพื่อความ จเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิ